เรื่องนักบวชทำกรรมชั่วในศาสนาของพระพุทธเจ้ากสปะห้าเรื่องคือเรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุูหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่เหยื่กระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระลักขณะกับพระมหาโมคลลนะพักอยู่ที่เขากิจจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลลนะครองอันตรวาสกถือบาดและจีวร เข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงรา ช, ชครื่อด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกำลังลงจากเขาชิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านมหาโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะ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 ในกรุงราชคลืนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งท่านได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระพบลงจากภูเขากิจกูดได้เห็นภิกษุปเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกชนจนมาร้องครวนครางกระพบมีความรู้สึกว่าหน้าอัศ จ, จริงไม่เคยปรากฏ ที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธพนาว่าพระมหาโมคคละณะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุยัน์ก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้ เมื่อก่อนเราก็เห็นภิกษุเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุชั่วในศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกบกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือ โมคารณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่52